ا ัลลอฮ์อาลัยม์อาลัยม์อาลั ا ل ์อาลัยม์อัลลอฮ์อ ل ลัยม์อา الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا إ ع ل م لنا إلا ما علمتنا إنك أنت ا ل ع ل م الحكيم ر ب, ب إن أن الح ر ش ر ح لي صدري ويسر لي أمري วะ حل ل <س> ع <ؤ> ق د ة من لساني ي ب ق قولي الله منفعنا <س> بما <ؤ> علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما و ب ن ا ظلمنا أنفسنا وإن لم توكر لنا وترحمنا ل ن ك و ن ن من الخاسرين وبنى <ؤ> آتنا من لدنك ر ح م وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد <س ؤ> لله ال> <س ؤ> ال> ขุณ ل ่าอัลล์ سبحانه และ تعالى อินชาอัลลอฮ์ซูร่าทูซุครุฟเราอาจจะเหลืออีกสักประมาณสองสาสี่หคงคงจะไม่เกินคงจะไม่เกินหกตอนแล้วไม่งั้นจะไม่ทันนะครับกับรมฎอนอินชาอัลลอ์อัลลอฮ์มูสอาน วันนี้นะครับเริ่มอ่านตั้งแต่อายัดที่สามสิบเอ็ดสามสิบสองจนถึงสามสิบห้าถ้ามีเวลาเราก็อาจจะเพิ่มไปสักหนึ่งหรือสองอายัดอัลลอสามสิบเอ็ด أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و อ ال ا ل รจิม ل ่าลูลูล ا ل เนซิล ل ะดะล์ค ا ل านุ่ง ل ะอัลรจุลิมมิ่งะอิลคุร์ดีย์ต يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في, بين في الحياة الدنيا ว่าَ่างหนาบางَัวหَึَ่ฟَาอุกَบَางด ل กَจัตลีจะทَ๊ดบางตัวหนَ่งบาง สุขเรีย و َะอัลลَฮฺวَระรับบิุมิมยจม่ ว َلَوْلَا أ َ ي َ ك ُ و ن َ النَّاسُ أُمَّتَ وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُ เราจ้างแล้วนั่นแหละที่จะคُ ت ِ ه ِ่สุด ق ُ ف ลก และแม่ริยา عليها จะ ظهر ب ب <بي> و َ ل ِ ب ُ ي و ت ِ ه ِ م أبواب َ وسور عليها ََ يتكئون َ وزخرف ُ อ ك น ل ُّ ذلك แล ا วแม้แต่ของชِวิตดุนยาและของชีวิ ل น م ้ ตะวิน อ, อ, ว อ, อ, ว อ, อัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮะอายะต์นะบางทีพี่น้องอาจจะไม่คุ้นเคยการ อ, อายะต์นี้อาจจะมีคําศัพท์บางคําศัพท์ที่ออกเสียงอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับการหยุดการอะไรเนี่ยลองกลับไปทบทวนอ่านดูอัลฮัมดุลิลลาฮ์วันนี้เราถึง จุดที่มีคำว่าซุขรฟนั่นก็คืออายที่สาสิบห้าว่าซุขรฟที่มาที่ไปของสุร์นี้นะครับอยู่ตรงนี้นี่เองอะไรเอ่ยยังไงเอ่ยวันนี้นะครับวันนี้เป็นการกล่าวถึงข้ออ้างของบรรดาพวกมุชริกีนในจำนวนพฤติกรรมที่เสียหา ย, ายของคนเหล่านี้ ในการที่จะปฏิเสธต่อท่า น, นาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไม่ยอมสัตย์ถ่ อ, อริษัทการเชิญชวนของท่านนาบีเนี่ยพยายามที่จะหาข้ออ้างอ้างอย่างนู้นอัลลอฮฺแตะลาก็ตอบอ้างอย่างนี้อัลลอฮฺแตะลาก็ตอบไม่รู้กี่อีกครั้งที่อ้างไปอ้างมาไม่มีทางที่จะไปสุดท้ายนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งข้ออ้าง และเป็นข้ออ้างที่แสดงให้เห็นถึงความโง่เขลานะอูซูเบลล่าทิมินซาเลยเป็นข้ออ้างยังไงวันนี้มุสลิกินอ้างยังไงที่จะไม่ยอมศักษาต่ออัลกุรอานบอกเขากล่าวว่าเราละนุซซิลฮะดะลุุรอานอัลกุรอานเล่มนี้น่าจะถูกประทานลงมาให้กับคนอื่นไม่ใช่กับมุฮัมมัด ให้กับใครลรอยูเลนมินาัลคอยตเนี่ยวเน่อจะถูกประทานลงมาให้กับคนอื่นที่เป็นอคนที่มีเกียรติคนที่ยิ่งใหญ่จากเมืองสองเมืองนี้มากกว่ามองว่ามหัมตไม่สมควรที่จะได้รับเกียรติให้เป็นศาสนทูตมองว่ามีคนอื่นที่สมควรกว่า คนอื่นที่ว่านี้คือใครคนที่รวยคนที่มีตําแหน่งคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ในสังคมของมักกะสองเมืองที่ว่านี้นักตักซีรบอกว่าหมายถึงมักกะกับป้อิฟเพราะว่าในขณะที่ท่านน บ, บีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมสำหรับคนมักกะดูเหมือนว่าเป็น คนที่ต่ตําต้อยอยาตีมเป็นลูกกําพูร์พ่อไม่มีอยู่สักพักหนึ่งแม่ก็เสียชีวิตอีกอยู่สักพักหนึ่งปู่ที่ดูแลก็เสียชีวิตอีกโตขึ้นมาคือเป็นคนที่โอเคละ่ะอยู่ในตระกูลที่ดีที่สุดแต่ว่าไม่มีฐานะไม่มีเงินไม่มีทอง ไม่มีตําแหน่งในสังคมมักกะในสายตาของพวกออเรชในสายตาของพวกมุชริจีเนี่ยมองว่าคนที่สมควรจะได้รับวัลฮยูจากอัลลอฮ์ตะลาเนี่ยน่าจะเป็นคนมีหน้ามีตาทําไมอยู่ดีๆมูฮัมมัดซึ่งเป็นเด็กโกโรโกโสเป็นเด็กไม่มีไม่สิ้นกลิ่นน้ํานมจึงได้มาเป็นใหญ่ได้รับตําแหน่งการเลือกจากล่องสุบฮานอวะตารแลา้ทําไมที่พูดอย่างนี้ก็อ้างไงไม่อยากจะศรัทธา ต้องพยายามสรรหาข้ออ้างต่างๆเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าที่ตัวเองเลือกไม่ศรัทธาเนี่ยเออมันมีเหตุผลรองรับ a l ล a h u Billahiminalik Allah taala ก็เลยตอบกลับว่ายังไงอ l l a h rujulin min al qariyatayni a z นี่มีใครบ้านะถ้าสมมติถ้าไม่ลงมาที่มุฮัมมัดเนี่ยคนพวกนี้อยากจะให้ลงไปที่ใครอยากจะให้ลงไปที่อ่ามีหลายตัวซีรนะบางบางตัวซีรก็บอกว่าอยากจะให้ลงไปที่อัลวะลีอิบลมูฮีรอ อยากจะให้ลงไปที่อะไรนะถ้าถ้าเป็นในต่อ F เนี่ยก็จะมีนะครับจะมีผู้นำต่อ F มีชื่ออยู่ไหมในภาษาไทยนี่ก็มีชื่ออยู่ให้ด้วยใช่ไหมมีสามสี่ชื่อที่ถูกถูกพูดถึงอะว่าใครอันนี้ไงอัลกุรอห์อิบนาบสุลอัตกาฟีอันนี้เป็นคนใหญ่ในต่อ F ทำไมอะทำไมอัลกุรอานต้องลงมาที่คนเล็กๆคนตัวที่ไม่มี ไม่มีอะไรเลยในสังคมมักกะฮะทำไมอัลลอาลาไม่เอาถ้าอยากจะประทานรูอ่านลงมาจริงทำไมไม่ให้กับคนที่รวยๆทำไมไม่ให้กับคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ในสังคมสมัยนะั้นอัลลอฮฺลนี่คือมุมมองของพวกมุิกิมอัลละตัลลก็เลยตอบว่าอะฮมยักซิมูนะรัห์มะตารับบิกเอคนพวกนี้เนี่ยมีสิทธิ์อะไรมาทักทวง คนเหล่านี้เนี่ยมีสิทธิ์อะไรที่จะมาบอกว่าคนนั้นน่าจะเป็นนบีคนนี้น่าจะเป็นนบีเรื่องราวนี้มันเป็นสิทธิของใครเป็นสิทธิของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้ดีว่าใครที่ควรจะเป็นรอะซูลของพระองค์อัฮุมยักซิมูนะรัหมะตารบิกคนเหล่านี้เนี่ยคิดจะมาแบ่งอคิดจะมาแบ่งรัหมะตารบิกหมายถึงว่าเป็นเนื้มาตของอัลลอฮ์ ความเมตตาของ Allah ปริศละ่ะที่ Allah ตกลาจะให้ใครเป็นนบีเนี่ยมิธิ์อะไรมนุษย์จะมาเกี่ยวจะมาจะมาะยุมย่มยมุ่มนามามาถ้าใช้ภาษาก็คือมาสอเ อ, อเสืออใช่ไหม سبحان Allah อันนี้เป็นเรื่องราววลาจะอะไรมนุษย์เนี่ยมียอะไรที่จะมามาเผือกมาเผือก ด, ด้วยเพราะอะไรครับ Allah taala برأ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا อย่าว่าแต่เรื่องใหญ่ใหญ่เรื่องสำคัญสำคัญเรื่องการเป็นนบีนี่สำคัญไหมอะเรื่องการแบกรับหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาของมัลลุปานลตอนี่มันเป็นเรื่องสำคัญนะคนที่จะมาเป็น رسول นี่ต้องคัดเลือกอย่างดีอันนี้สำคัญ อย่าว่าแต่เรื่องสําคัญเลยแม้กระทั่งเรื่องที่ไม่ค่อยสําคัญเนี่ยอัลลอฮฺจ่าเลยังจัดการหมดทุกอย่างเรื่องอะไรที่ไม่ค่อยสําคัญในสายตาของอัลลอฮ์เรื่องดุ نية อัลลอฮฺจ่าเลยว่านะหนุก mm. ah ah um ัสซัมนะไบนะฮุมมาอีแชตฮุมเปลอายาตินดุน ي ة เรื่องที่เกี่ยวข้องกับดุน ي ة ซึ่งมันไม่ได้สําคัญเท่ากับการเป็นนบีนะเรื่องดุน ي ة เรื่องใครจะรวยใครจะจน ใครจะมีใครจะไม่มีใครเป็นคนจัดการอัละะอาลาห์เป็นคนจัดการอัละะอาลาห์เป็นคนกาหนดกดมนุษย์เองไม่ได้มีส่วนเราเลือกเกิดมาได้ไหมว่าจะเป็นคนรวยจะเป็นคนจนต่ตรงเราไม่ได้บอกว่าคนจนหรือว่าคนรวยดีกว่าคนจนคนจนดีกว่าคนรวยไม่ใช่แต่กําลังจะบอกว่า ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกดุนยาเนี่ยมันผ่านการจัดการจากอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ต ل อัลลอฮ์ تعالى บอกว่านับถ ah ah um ูกอัลกัซัมนาเบย์น่าอมมาอิชัตฮุมฟิลฮีวิตใดุนยาความแตกต่างระหว่างมนุษย์ในโลกดุนยาเนี่ยบางคนมีบางคนไม่มีบางคนออยู่ในประเทศที่อาจจะร่ำรวยบางคนอาจจะอยู่ในประเทศที่ต่ำกว่า ในเรื่องของการจัดสรรบันปันแบง่งโชคหรือว่าโชคลาภในโลกดุนยาเนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ในการจัดการของอัลลอฮฺสุบฮานาฮาละทำไมที่อัลลอฮลาให้ไม่เหมือนกันทำไมอัลลอฮลาให้ไม่เหมือนกันบางคนรวยบางคนจนเพราะอะไรบ uh um, นี ว่เาเรางั้นบางทุ่ม فوق บางดีในระดับริ้วละแต่ลก็แบ่งไม่เท่ากันตำแหน่งอละแต่ละก็ให้ไม่เท่ากันบางคนอาจจะมีตำแหน่งสูงในดุนียบางคนอาจจะไม่มีตำแหน่งอะไรเลยเพื่ออะไรตคบบอดุุหรืที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมีการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน พี่น้องเข้าใจปรัชญานี้ไหมเราลองจินตนาการดูซิว่าถ้าสมมุติโลกดุนียอันนี้มีแต่คนรวยคนรวยจะอยู่ยังไงใครจะซักผ้าให้คนรวยฮะใครจะกวาดถนนใครจะปลูกข้าวคนรวยจะเอาข้าวมาจากไหนมากินไม่มีใครอยากจะปลูกข้าวอะ่ะเพราะมองว่าอะไรมองว่าการทำกรเกษตรเป็นงานเป็นงานชั้นต่ำ มีข้าวกินเพราะอะไรเพราะชาวนาในสายตาของมนุษย์เนี่ยอาจจะมองว่าคนที่ทําอาชีพเกษตรมีฐานะที่ต่ําต้อยกว่าพวกนักธุรกิจขอโทษนักธุรกิจกินอะไร <c oughs> ถ้าไม่กินถ้าไม่กินข้าวของของชาวนาสุภาพนวลนี่คือปรัชญาที่เราเข้าไม่ถึงอัลลอฮฺตรอะไรบอกใช่ไหมถ้าสมมุติ แ น, น่นอนว่าถ้ามีแต่คนจนมันก็ไม่ได้อีกใครจะมาจ้างให้คนทำนาใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่มีคนจนมีคนรวยมันเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เร า, เราวัดใช้เกณฑ์ในการวัดว่าใครเป็นคนปีใครเป็นคนไม่ดีไม่ได้ดูที่ฐานะว่ารวยหรือจนทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่การเอื้ออานวยผลประโยชน์ของมนุษย์ร่วมกันในโลกดุนีย์นี้เท่านั้นเข้าใจไหมครับ แต่ในสายตาของมนุษย์เนี่ยโอ้โหแบ่งแยกกันเป็นชัดเจนเลยภาพคนรวยต้องดีไว้ก่อนทำผิดแค่ไหนก็พ้นคดีหมด <laughs> อัสลามุอะลัยเราใช้เกณฑ์นี้แหละโลกมันก็เลยสับสนวุ่นวายไปหมดเหมือนกับที่พวกผู้ชรวกีนก็ใช้เกณฑ์นี้ในเมื่อจะเอาราซูลคนหนึ่งทำไมไม่เอาคนรวยมาเป็นราซูลทำไมไม่เอาคนที่มีตำแหน่งมาเป็นราสูลเห็นไหมเราใช้เกณฑ์เกณฑ์เดียวกันกับที่ มันถูกใช้อยู่อัลลอฮฺอาตุลลอฮฺละละตอลาไม่ได้ใช้เกณฑ์นี้นะครับคนรวยคนจนเป็นการเป็นซุนนะจุลลอเป็นการกําหนดสภาวะการที่อัลลอฮฺสุบฮฺอัลลอฮละก่อให้เกิดประโยชน์คนรวยได้ประโยชน์จากคนจนคนจนก็ได้ประโยชน์จากคนรวยเป็นอย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นคนจนใ น, ในใสายตาของอัลลอฮฺสุบฮฺวัลลอฮละ ى, ในดุน ي ة อาจจะดูตา่าแต่ในอาคยร์บางทีเขาอาจจะดีกว่าคนรวยก็ได้ เพราะฉะั pues ้นเพราะฉะนั ngày, ้นต้องเข้าใจหลักอัลบาอย่างนี้ตักิบางคางบางดังซูครียา ورحمة ربك خير مما يجمعون سبحان الله ต ا م อ ر د فان ف ا นวันอัคราตแหน่งนบีซึ่งเป็นหนึ่งในจานวนความเมตตาของ a l l ุบ س ب ح ا นะดีกว่าดุนยาทั้งหมดนี้เพราะฉะนั้นจะเอาดุนยาไปใช้เกณฑ์ ใ่การที่จะวัดว่าคนนี้ควรเป็นนบีคนนี้ควรเป็นรอซูลไม่ใช่ไม่ใช่เกณฑ์ของอัลลอฮ์สุบฮาน altogether a l a รู้ดีว่าใครควรที่จะเป็นนบีควรที่จะเป็นรอสูลสุบฮานอัลลอฮ์พี่น้องถ้าเราสังเกตพิจารณาดูให้ดีนะอัลลอฮ์สุบฮาน altogether เลือกสรมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมให้เป็นรอสูลของพระองค์เนี่ยสุบฮานอัลลอฮ์จะจากอะไร เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีที่สุดมาจากวงตระกูลที่ดีที่สุดไม่ได้ดูเลยเรื่องตุเนียร์พระองค์ไม่ได้ดูเล ย, เ ย, เลยแต่ดูจากหัวใจเป็นหลักหัวใจมีความบริสุทธิ์ที่สุดเป็นคนที่มีอำมาำนาจที่สุดไม่เหมาะกับการเป็นนบีตรงไหนจะเอาไปเทียบกับอลัลลอฮีจะเอาไปเทียบกับคนนู้นคนนี้ที่เป็นหัวโจรในพวกโกรชเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยเอาเรื่องหัวใจเนี่ยเอามาเทียบกันเนี่ย คนเหล่านั้นไม่มีไม่มีสิทที่จะทวงด้วยซ้ำไปว่าอยากจะเป็นรูสุอยากจะเป็นนบีแต่ห่าลาวลาโคตะอัลลอบิลละออันนี้ต้องเข้าใจนะ س ุ ح ا ن อัลลอฮ์ไม่เเล้วอัลลอฮ์นั้นนั้น ليس ا ل ร م ر مردوان إليهم การคัดเลือกว่าใครควรจะได้เป็นนบีรับวะฮิยุจากอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ที่เราแต่ถ้าเราใช้เกณฑ์ของเรามันก็ไม่อย่างนี้แหละคนไหนรวยเราก็ยกให้เป็นผู้นําเราก่อน คนไหนมีฐานะ เ, าเราก็เชิดชูก่อนเอส่วนคนดีๆทั้งหลายอาจจะไม่ได้รวยหน่อยตกเป็นชายขอบไปเป็นอย่างงี้ไหมเกณฑ์ในสังคมเราเป็นอย่างนี้ไหมเป็นอย่างนี้แหละแต่แตแตเกณฑ์ของอะไะคนละเรื่องกันแล้วสังเกตดูให้ดีสังเกตดูให้ดีมันแปลกมากเลยนะส่วนใหญ่แล้วเเละอิละฮะอิลลัลลอฮไม่ไม่ได้บอกว่าทั้งหมดแต่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่แล้วใครที่ เขารียว่ามีมีความมั่งคั่งหน่อยมียศถาบรรดาศักย์เยอะหน่อยเนี่ยวนอย่แล้วมันจะตรงกันข้ามกับคุณสมบัติข้างในคุณสมบัติข้างในอ่ะคุณสมบัติของของของคุณธรรมความดีต่างๆเนี่ยทําไมทําไมมันเป็นอย่างนั้นแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะเฉพาะยุคนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วตั้งแต่ยุคไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะ เป็นอย่างนี้มาตลอดเลยส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นระดับที่มนุษย์เชิดชูกันเป็นระดับวีไอพกันในสังคมเนี่ยอ๋อพอดูข้างในแล้วอันหรอมันยังไงอะ่ะมันตรงกันข้ามกับภาพลักษณ์ข้างนอกนี่แหละเป็นอย่างนี้ s u b h a n a l l อ h lahu ala wa laqwa wa laqwa illa b i l l ไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนะไม่ได้บอกว่าทั้งหมดส่วนใหญ่ที่เห็นประมาณนี้น้าอุบิลลัคใมันต่ล็กทีนี้ละตัาลละก็บอกอีกพวกนี้เนี่ย คือในสายตาของพวกมุชริกีดเนี่ยมีแต่ดุน ي ة ทุกอย่างเอาดุน ي ามันเป็นเกณฑ์หมดเลยใครดีใครไม่ดีใครสมควรใครไม่สมควรเพราะฉะนั้นอัลตาลเาเก็เลยตอบกลับไปแบบหนักๆมากเลยบอกว่าดุน ي าในสายตาของอัลตาราเนี่ยอ๋อไม่มีค่าอะไรเลยแทบดุน ي ามันมีค่าในสายตาของล่างสุบานอตาราพระองค์บอกว่าอย่างไงพระองค์จะให้มากกว่านี้นะเนี่ย เดี <Darth S 2> huh ๋ยอายัดน tamam. ี้น่ะต้องอาศัยการอธิบายที่ค่อนข้างจะมันฟังแล้วมันดูอาจซับซ้อนสักนิดนึ่งมันมีเงื่อนไขแล้วก็มันมีผลที่ตามมาอัลลอฮละว่ายังไงว่าเราละอันย่ำ c o ัณนาสุอุมมัตันวาฮิดัตันถ้าสมมุติอัลลอฮฺตะลาไม่กลัวอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วอ่าเพราะองค์รู้อยู่แล้วมีความรู้ล่วงหน้ามาแล้ว ว่าคนเหล่านี้พวกผูชัเหล่านี้เนี่ยถ้าอัลลตลาให้ทรัพย์สินเยอะๆมันจะยิ่งกุฟรมันจะยิ่งซเลมมันจะยิ่งอหังกาถ้าให้เยอะๆเนี่ยถ้าให้เนื้มาของเราเยอะๆคนเหล่านี้เนี่ยจะมาเป็นอุมะตันวะฮิดะตันฟิลกุฟรีคว่าอุมะวฮิดะงนี้เป็นอุมะวะฮิดะในงลบ อมมาหะวฮิดะนี่มีในแง่บวกแล้วก็แง่ลบอมมหะวฮิดะในแง่บวกก็คือเป็นผู้ศรัทธากันทั้งหมดแต่ในอายันี้หมายถึงเป็นประชาชาติเดียวกันในแง่ลบนั่นก็คือถ้าสมมติว่าอัลลอฮฺจะอลาให้คนทุกคนรวยหมดบนโลกนี้พระองค์บอกว่ารับรองเลยมนุษย์จะไม่มีใครศรัทธาสักคนที่พระองค์ไม่ให้พระอะไร เพราะกลัวว่ามนุษย์ทั้งหมดบนโลกนี้จะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาถ้าพระองค์ไม่กลัวอย่างนั้นพระองค์จะให้อะไรพี่น้องอย่าง ง, งนะอันนี้แหละที่บอกว่าอาจจะงงนิดหนึ่งอาลัจจาราบอกว่าถ้าพระองค์ไม่เกรงไม่หวั่นเกรงว่ามนุษย์เนี่ยจะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งโลกเลยถ้าสมมติพระองค์ไม่กลัวนะพระองค์จะให้อะไรเนื่องจากบุญญาไม่มีค่าเลยในสายตาของพระองค์เรา พ, พร้อมที่จะให้ แต่ที่พระองค์ไม่ให้เพราะกลัวว่าจะเกิดปัญหากูฟอรเราบอกแล้วอีพีที่ผ่านมานะตอนที่ผ่านมาเราบอกแล้วว่าบัลมจาุอาอลาอวอาบาอฮมสาเหตุที่ลูกหลานของอิบราฮีมเนี่ยกลายเป็นคนกาเฟทเพราะอะไรเพราะความสบายอันนี้เป็นปัญหาหลักเลยดังนั้นถ้าเราจะไม่กลัวว่าความสบายนี่มันจะกลายเป็นกูฟร์เข้าสักวันหนึ่ง พระองค์จะให้สบายมากกว่านี้ให้อะไรให้ถึงขนาดไห น, นหให้ถึงขนาดนี้เลยนะเราจะนาลิมันยักฟูรุบิลรับมานีลิบยูติฮิมสุขุฟันมินฟดต์เนี่ยถ้าเราไม่เกรงว่ามนุษยชาติจะเป็นหมู่ชนที่ปฏิบัติเหมือนกันทุกอย่างแล้วหมายถึงว่ากูฟดเหมือนกันหมดเราก็จะให้ทำให้บรรดาผู้ปฏิเสธ ศรัทธาพูดปฏิเสธความกรุณาปราณีของเรามีบ้านหลังคาทำด้วยเงินและทองคำพระองค์พร้อมที่จะให้เลยนะแต่ถ้าให้แล้วเป็นยังไงจะเป็นผู้ศรัทธาไหมอ่านี่ไงปัญหาเวลาให้ยิ่งรวยยิ่งกลายเป็นผู้เป็นผู้ปฏิเสธเป็นผู้ต่อต้านต่อ Allah พระองค์ไม่ต้องการเห็นมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อ a ที่ให้ทุกวันนี้ปฏิเสธขนาดนี้แล้วถ้าให้มากกว่านี้จะปฏิเสธขนาดไหนถ้าสมมติไม่กลัวว่าจะเกิดการปฏิเสธแบบบทุกทุกทุกอะไรก็เลยทุกอนูทุกภูมิโลกแล้วเนี่ยก็สาะรละละจะให้เยอะกว่านี้อีกจะให้บ้านทําด้วยเงินทําด้วยทองอหลังคาทําด้วยเงินทําด้วยทองขนาดหลังคายังทําด้วยเงินทําด้วยทองแล้วตัวบ้านจะทําด้วยอะไรว่าลารพร้อมที่จะให้แบบนี้นะแต่พระองค์ไม่ให้ ไม่ให้เพราะกลัวว่ามนุษย์จะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธากันหมดไม่มีใครที่เหลือเป็นผู้ศรัทธาเลยสักคนหนึ่งวะลีบุยุวะมิวมาอาริจัลัยฮะยะดารูตปันไดอีกปันไดก็ทําจากเงินทำจากทองวะลีบุยุติหิมอโบวาบะประตูใหญ่ใหญ่ทําจากเงินทําจากทองอัสสรุรันอัลัยฮะยะตะกิอุนตียงขนาดใหญ่อ จินตนาการเองนะพี่น้องลองจินตนาการดูเองอสภาพของบ้านเรืนอนคฤรยาฮา์ใหญ่โตวะโหฬาเนี่ยของบรรดาคนที่ไม่มีอะไรวะนึกฝันอยากจะได้ในโลกดุนยาประมาณนั้นแหละสุบฮฺ س ح ا ن ล, ละ ا ل ว่ซุครุฟามาละว่ซุครุฟาก็คือจะทำให้บ้านเนี่ยมีประดับประดาเยอะๆสวยงามมากมาใหญ่โต แต่พระองค์บอกว่าว่อินทุกลหตุผลกี่จะทำมาตาอุล hayat จิตุนญญาต่างหมดที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นมาตาอุล hayat เป็นความสุขชั่วครู่ชั่วคราวในโลกดุนยาเท่านั้นลอเดี๋ยวผมจะอ่านตั f ซ i r สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น อันนี้คือความหมายในนักตรศ ف ลป์ อันนี้คือคำของอับดุลอาสานมุอล تعالى ไม่กลัวว่าคนทั้งโลกไม่จะคิดว่ายิ่งอล تعالى ให้แสดงว่าอลล تعالى รักเขาใช่หมเพราะคนส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์นี้กันหมดอลลเกรงว่ามนุษย์จะคิดกันแบบนี้แหละยิ่งเห็นใครยิ่งรวยเห็นใครยิ่งตำแหน่งสูงแสดงว่าโอ้อัลลอให้คนนี้อัลลอรักคนนี้ แล้วเราทุกคนก็อยากจะได้เป็นเหมือนเขากันหมดเลยสุดท้ายไม่มีใครแสวงหาอะเครอแสวงหาแต่ดุเนียถ้าไม่กลัวว่ามนุษย์จะคิดอย่างนี้เนี่ยพระองค์จะให้ทั้งหมดตามที่พระองค์พูดเมื่อกี้เลยอ่านี่คือความหมายของอายต์นี้ละเจลเนลิมันยักฟูรบิลร่ำมัน ว่าอินทั้งหมดนั้นรวนแล้วต่เป็นสิ่งที่ตกต่าต้อยในสายตาของอัลลอฮฺไม่ได้มีค่าอะไรเลยดุ نية ที่อัลลอฮฺให้กับมนุษย์เราไม่ว่าในสายตาของเรามันจะเยอะขนาดไหนถ้าสมมติดุ ني ามันมีค่าจริงนะ ถ้าสมมติ ด, ดุน ي ามีค่าจริงมีฮะดิษที่เมื่อกี้ตอนแรกเราบอกว่าอย่างไงถ้าดุน ي ามีค่าจริงอัลตัลลาใหฮุอย่างไม่ใช่ถ้าดุน ي ามีค่าจริงเนี่ยแม้แต่น้ําหยดเดียวอัลตัลลาฮุอะซีฮฺจะไม่ให้กับคนกัเซรถ้าสมมุติเพราะดุน ي าไม่ได้มีค่าในสายตาของอัลลอฮฺพระองค์ถึงให้ขนาดนี้ถ้าสมมุติว่าดุน ي ามีค่าเท่ากับเพียงแค่มีน้ําหนักเท่ากับปีกยุง ปีกยุงอพี่น้องเอาไปชั่งกับอะไรมีหน่วยวัดไหมจับยุงมาตัวหนึ่งแล้วก็ดึงปีกออกมาข้างหนึ่งแล้วจะไปจะไปชั่งกับอะไรมีมีที่ชั่งไหมหนักกี่กี่กี่กรัมกี่มิลลิกรัมปีกยุงนี่คือค่าของเรืนี้น้อยกว่าปีกยุงเพาะว่าทาลาบอกว่าอมีฮะดิษบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าโลก عدالة الدنيا عند الله جناها بعضت لو كانت الدنيا تزن عند الله جناها بعوضة ما سقى منها كافرا شربت ماء أبدا ถ้าสมุดดุนยามีค่านะละซุบฮะนะวะท้าลาเท่ากับแค่ปีกยุงแสดงว่าดุนาเนี่ยไม่ได้มีค่าแม้กระทั่งกับตีกยุงเนี่ยดุนยังมีค่าน้อยกว่าถ้าสมุดมันมีค่าเท่ากับติกยุงเนี่ยรองบอกว่า พระองค์จะไม่ให้คนกาเฟสแม้แต่น้ําสักอึกหนึ่งก็ไม่ให้เพราะมันมีค่ามากสําหรับอัลลอฮะลัยฮิาลาฮถ้าสมมติว่าพระองค์บอกว่าดุน ي านั้นมีค่าเรางงหรือเปล่าเนี่ยผมพูดมาตั้งเยอะเนี่ยผมกลวงงงมากเลยฮะดุน ي ا มันไม่มีค่าพระองค์ก็เลยให้ให้ให้ให้คนกาเฟสเนี่ยรวยกว่าเราเพราะอะไรพราะดุน ي ا ไม่มีค่าไงอัลลอะลัยฮิาลาก็เลยให้ให้ถ้าดุน ي ามีค่าจริงๆพระองค์จะให้ไหม ไม่ให้เลยพราะคนกัฟเวอร์่าท่าน Allah ปาฟื้น Allah พระองค์จะให้ทําไมแต่เนื่องจากว่าดุนยามันไม่มีค่าไงจากกัฟเวอร์แค่ไหนพระองค์ก็ไม่มปันหาเข้าใจไหมความหมายนี้เข้าใจหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นพระองค์เพราะพระองค์เนี่ยถ้าสมมติพระองค์ไม่กลัวว่ามนุษย์จะกูฟร์กันหมดพระองค์จะให้เยอะกว่านี้อีกเพราะดุนยาไม่ได้มีค่าเลยในสายตาของพระองค์แต่ที่พระองค์ไม่ให้พระองค์กําหนด จำกัดว่าให้เท่านั้นเท่านี้เพราะมีฮิกกันมะ้ถ้าให้เยอะกว่านี้ไม่มีผู้ศรัทธาให้เท่านี้เนี่ยก็ยังมีคนที่ต่อต้านมีคนที่ฝา่าฝืนมีคนที่ไม่ยอมสานึกเยอะแยะไปหมดแล ะ, ล, ะละอิละฮ์อิลลอ่์เป็นเรื่องที่เราก็มียากเหมือนกันอันนี้จริงๆแล้วอาจจะพูดถึงบรรดาคนที่ไม่มีศรัทธาต่อรอดุภาอตาละแต่อย่าลืมกลับมามองย้อนมองตัวเองด้วย บางทีคนมุสลิมอย่างเราเราบรรดาผู้ศรัทธาอย่างเราเราโดนดุนยาทดสอบหน่อยเป็นยังไงก็ไปเหมือนกันเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันไงไม่พ้นจากอายตเนี่อ้อ่ะถ้าสมมุติว่าตอนนี้ไม่เป็นไรเรามีเนบัดิอยู่เท่านี้เรามีรมละมัติตลอาละอยู่เท่านี้เรายังสำนึกตลอดอะไรอยู่เดีย๋ยวเรายังต้องขอจากพระองค์อยู่ไงอย่ารอให้รีสกี้กับฉันด้วยอย่ารอให้รีสกีกับฉันเพราเราไม่มีลองสักวันหนึ่งถ้าเรามีอะ่ะ เราจะขออีกไหมไม่ขอแล้วเลยจะขอทําไมอีกในเมื่อมีแลเห็นไหมพอมีแล้วไม่ขอไม่ขอก็คือลืม Allah เป็นเรื่องปกติเรื่องของมนุษย์แบบนี้เพราะฉะนั้นระวังด้วยเราไม่ได้พูดแค่เฉพาะคนที่เป็นกาเฟ่เท่านั้นแม้กระทั่งมุสินเองก็ต้องระวังนิสัยนี้นิสัยที่ยิ่งให้ยิ่งให้ยิ่งให้เรายิ่งลืมยิ่งอ่างยิ่งลืมยิ่งอ่างเจะ Allah سبحانه และ ت ع ا ل จนสุดท้ายกลายเป็นกูฟุ่ม นึกถึงเรื่องราวของกอรุณกอรุณในสมัยท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกอรุนแต่เดิมเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยก็ไปขอกับมูซาให้คุยขอดูอาให้หน่อยเห็นไหมตอนไม่มีเนี่ยนึกถึงใครนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงอ AH. <laughs> ัลลอฮ์ AH. อยากจะให้ช่วยขอดูอาให้หน่อยให้นู่นนี่หน่อยแล้วสุดท้ายอัลลอฮ์แตาละให้แล้วเป็นยังไงให้จนกระทั่งแบบว่าสมบัติเนี่ยนะ กุญแจคลังเนี่ยอย่าว่าแต่สมบัติแท่กุญแจเนี่ยต้องให้อูดเป็นเป็นต้องให้คนเป็นคนขนกุญแจไม่ใช่ขนสมบัติขนอะไรขนกุญแจที่ใช้เป็นตัวล็อกเป็นกุญแจคลังสมบัติของตัวเองเนี่ยอย่าอัลลอฮ์รวยแต่สุดท้ายมีอัลลอฮ์ไหมพอมมซาไปบอกว่าเนี่ย น, Allah, นึกถึงอัลลอฮ์นึกจะเฮ้ยทั้งหมดนี้ฉันหามาเอง นี่แหละครับระวังให้ดีประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าถูกจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์อันยาวนานและถูกพิสูจน์ทุกยุคสมัยถูกพิสูจน์มาซ้ําแล้วซ้ําเล่าทุกยุคสมัยทุกประชาชาติตั้งแต่สมัยนบีมูซ่าจนกระทั่งสมัยนบีหลังจากมูซ่าถึงสมัยนบีมูฮัมมัด ถึงสมัยยุคหลังจากน บ, บีมุฮัมมัดจนถึงยุคของพวกเรายิ่งถูกทดสอบด้วยดุนยามากเท่าไหร่ยิ่งต้องระวังการห่างไกลาจากอัลลอ์สุลตานะตาลามากเท่านั้นแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าหนึ่งในจำนวนอลามาทุสซะหนึ่งในจำนวนสัญญาณวันเกียาารติมักก็คืออัลลอ์ตาลาจะเปิดดุนยาให้กับมนุษย์ <laughs> อาวสัตวอะไรจะเปิดเปิดด ma ุนยาให้กับมนุษย์อ่าท่านนบีบอกว่ามา말ฟะครอัคชาอะลักุมฉันไม่ได้กลัวว่าประชาชิของฉันนี่จะยากจนไม่กลัวแต่สิ่งที่ฉันกลัวก็คืออินนัมักชาอะลัยกุมอันทุบสัตวอะไรกุมุดุนยาฉันกลัวว่าดุนยาเนี่ยจะถูกเปิดว่างเปิดอ่าให้กับพวกเราแล้วเป็นยังไงบาตุลิกะกุม แค่มาแอะแคดหกแล้วดุนยาเนี่ก็จะมาทําลายพวกเจ้าเหมือนกับที่มันเคยทําลายคนก่อนหน้าพวกเจ้ามาก่อนแล้วฟิร์อาลไม่ได้รวยกว่าเราหรือแล้วฟิร์อาลไปไหนกะ <c oughs> รุนรวยด้วยจนกว่าเรารวยกว่าเราเยอะแล้ว ไ, ไปไหนดันั้นระวังด้วยนะครับอ่าัลลอฮฺมูซจาต้องระวังกันทุกคนต้องระวังนะครับเรื่องอ <c oughs> ฟิตร์นะ ยุคสมัยปัจจุบันนี่มันเยอะมากมันมาทุกรูปแบบบางทีเราก็ไม่ทันรู้ตัวนะ call c ตอร์เนี่มาทุกวันทุกวันยงงไแล้วมันก็ตรงกับใจเรานะที่มันยั่วยวนที่มันอะไรเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มันบอกเราเนี่ยอ่อกดไปเราจะได้ตังค์เท่านั้นกดไปเราจะได้ตังค์เท่านี้ลงกันไปเท่าไหร่ล้ะสุดท้ายมันยังไงอันนี้แค่ตัวอย่างเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพนองละอัลกุรอานยังคงความเป็นมหัศจรรย์ในเรื่องนี้อยู่ Allah سبحانه และ تعالى เลือกท่านนาบีสุลต่าละฮะเลวะซัลลัมเลือกคนที่จะมาเป็นผู้ทําหน้าที่ในการเผยแพร่ศารของพระองค์เนี่ยเอาคนที่ห่างไกลจากเรื่องพวกนี้ห่างไกลาจากเรื่องดุนยาห่างไกลาจากเรื่องตําแหน่งท่านนาบีไม่เคยมีตําแหน่งอะไรเลยสมัยที่ท่านได้รับให้การแต่งตั้งให้เป็นรัชซูลท่านนาบีไม่ได้มีทรัพย์สินเลยแต่ a h سبحانه และ ت ع ا ل เลือกท่าน ถ้าสมมติเราแต่ละเลือกคนที่มาเป็นรัซูลเนี่ยเลือกคนที่มีตําแหน่งมันก็มีข้อกล่าวหาได้อีกเอา้าที่มาบอกว่าเป็นตัวเองเป็นรัซูลเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอยากจะรักษาตําแหน่งถูกต้องไหมหรือถ้าเลือกคนรวยมาเป็นรัซูลก็อาจจะมีข้ออ้างข้อกล่าวหาอีกเอา้าคนรวยก็พูดได้สิอะไรประมาณนี้เองไหมลล อ, อัลาาลอฮฺอิัลลอฮพูดไปก็รู้สึกหนักนะครับรู้สึกหนักกับ กับความเป็นจริงที่เราอาจจะต้องเจออีกเยอะละอิลลาฮิลลอห์ละฮาวลาละกูอัตอิลลาบิลลาห์ละอะลิลาอูดละอิลลาฮิลลอห์ أستغفرالله وأتوب إليه เอาละประมาณนี้นะครับพอให้รู้นะครับว่าพฤติกรรมของพวกมุชริีนที่กล่าวตอบโต้กับท่านนบีสุลตานะฮีอัลลอฮิซุลแลมในสมัยนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเผื่อว่าจะได้เป็นบทเรียน กับเราในยุคสมัยนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าอัลลอฮฺจะอัลลเป็นผู้ทรงคัดสรรคนที่จะมาทําหน้าที่ในการรับมรดกสืบทอดการเดาว่าการเผยแพร่สารของพระองค์ไปยังมนุษยชาติตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งที่สูงส่งเป็นตําแหน่งที่ไม่ได้คัดจากการมีความมั่งคั่งความร่ํารวย และไม่ได้คัดมาจากมีบา ร, รมีหรือมีอิจิพนในสังคมไม่ใช่แต่คัดจากหัวใจนะคัดจากคนที่มีหัวใจบริสุทธิ์ในสมัยสังคมกุเรชไม่มีใครอีกแล้วบนโลกนี้ที่จะมีหัวใจที่บริสุทธิ์มากไปกว่ามุฮัมม il ัดสุลลัลลอฮฺอาลห์วาซัลลัมอัลลอฮฺอักบารลาอิลลฮฺอิลลอห์ลาลนะคบประมาณนี้อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยพระองค์จะพูดถึง คนที่ลุ่มหลงอยู่ในดุนยาจนกระทั่งลืมอัลลอฮ์สภาพของเขาจะเป็นยังไงชัยตอนจะมาเป็นเพื่อนเขาอัลลอฮ์ทรงเป็นละฮิมินซาลิกเราก็จำเป็นนะครับที่จะต้องระวังจากชัยตอนเนื่องจากสภาพที่เราห่างจะอัลลอฮ์จากการสิเกิดการรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อาลลอฮ์ تعالىعلم وفقاً لله إياكم لما ุ ح ب و ي ر ض อ